บรรยายในงานอบรมการปฏิบัติธรรมโดยสมหาปัญโยพิขุหลวงตาวัดป่าสมพนัสอำเภอพร น, นานิคมจังหวัดสกลนครบรรยายเมื่อวันที่ 10-18 มกราคม2552ที่สวนธรรมบ้านปาตุจังหวัดชิงราย วิีชีวิตของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคืออยู่แบบไรประเพณีไรจารีไรวัฒนธรรมคืออยู่แบบชีวิตที่มันบริสุทธิ์จริงๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเลยแบบหนึ่งก็คือชีวิตที่กำลังเดินทางชีวิตที่อยู่ในมรรค ก็จะมีรูปแบบปฏิบัติอาจจะมีพัฒนธรรมปฏิญีการสวดมนต์การไหว้พระกันอเราอยู่ที่นี่ก็เอื้อเฟื้อทั้งสองส่วนในตอนเช้าตอนเย็นก็สวดมนต์ทำวัดเทวดากันทำวาาทำัดสวดมนต์เนี่ยเราเป็นการจันโลง พระธรรมคาสอนของพระศาสดาสมายสัสพุทธเจ้าไว้ที่มีการท่องบนสารธยายรสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสูตรธรรมจักรอาทิตยานัตหรือพัทเทกรัตกรอะไรก็ตามที่เป็นมูลฐาน ที่ทำให้เราเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านชี้อะไรท่านแนะนำอะไรเราเราก็นำมาศึกษามาปฏิบัติซึ่งมันจะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนามีทั้งวิปัส น, นู แล้วมีทั้งวิปัสนาญาณอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าพุพทธพจน์นั้นจะแสดงในช่วงไหนแสดงเรื่องอะไรต่อหน้าของบุคคลที่เป็นเซฆะหรืออเซฆะหรือเป็นผูุ้ชนอย่างปราภาวสูตรเนี่ยก็จะสอนเรื่องทั่วๆไปเหตุในความเสื่อมสิบแปดประการ ของสังคมของคนก็ทำให้มันเสื่อมมันเราทำอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นนักพรตนักปฏิบัติธรรมเราก็จะศึกษาเรื่องของสติปัฏฐานสตรเป็นหลักที่เราสวดกันไปบทนั้นบ้างบทนี้บางเพื่อให้เกิดความก้าใจว่า ที่เราปฏิบัติทำเนี่ยมันมีสูตรนะไม่ใช่เราโมเมเอาถ้าจะได้เข้าใจอย่างการเจริญกายาคตาสติคือการรา ร, รู้อยู่กับกายเนะวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นหลักของการปฏิบัติของโยคีในพุทธศาสนาผู้หวัง สู่ความสิ้นพบสิ้นชาติหวังสูมภพนิพพานเนี่ยต้องใช้การเจริญสติตำหลักของสติปัฏฐานสูตรในสติปัฏฐานสูตรมันจะมีข้อบ่งบอกว่าควรทําอะไรยังไงไปรู้อะไรบ้างมันเป็นเส้นทางเป็นป้ายบอกให้กับเราว่าไปที่นี้แล้วไปถึงอันนั้นแล้วเป็นอันนั้นเป็นอันนี้น วันนี้ยตมามาจากจากเชียงใหม่นะไปนอนที่สองใเชียงใหม่สองคืนไปดูที่วัดให้เขาทำถม ท, มที่บ้างอะไรก็เลยมาจากนนไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่อยู่ผมด้วยพอผ่านมาท่านเนี้ยเข้ามาไม่ถูกนะ จะไปทางไหนดีเนะี่ยไปทางน้ำตกขุนกรไปทางดงมาดะไปทางห้าอะไรไม่รู้เด่นห้าอะไรไ่ไปทางไหนเเพราะเราไม่มีคนบอกเราก็ไม่ได้ดูแผนที่ที่นะไม่รู้จะไปทางไหนเดาสูงไปลองดูดิไปถูกหรือไปผิดแต่มางครัยๆว่าเส้นทางนี้มันเคยผ่านมาพออ่านปุน๊บมันจะเริ่มรู้สึก ม, มันเหมือ น, นจําได้ น้อยๆเนียน่ยมันคุ้นกับคําที่เขาเขียนเอาไว้ ม, มันเหมือนกับชีวิตเราที่จะเดินทางเนี่ยแล้วเราปฏิบัติทําเราค่อยๆว่าเราก็คุ้นเหมือนกันเน่ยคุ้นกับทําพูดเรื่องสติปัฏฐานกับอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราไม่เข้าใจชัดเจนในสภาวะธรรม น, นั้นนี่จริงๆมันไปทางไหนกันแน่อะไรยังไงเนี่ยยิ่งถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่มีคนที่แน่บอกกล่าวไม่มีคน ชักนำไม่มีแผนที่การเดินทางหรือไม่มีคนพาเดินทางเนี่ยยิกก่งยากลาบากแต่ถ้ามีพระสงค์ข้เจ้าคนที่เขาเดินก่อนมาเข้าใจในเส้นทางบอกเราทุกวันทุกวันตอ น, น, น, น, น, น, นเช้าตอนเย็นเนี่ยมันจะช่วยได้นะเวลาขับรถเนี่ยคนขับใหม่ๆก็อย่าเพิ่งชะลาใจอย่าเพิ่งวางมืออย่าเพิ่งมองไปทาโน้นทางนี้นะ คนรับใหม่จะเกล็งไปหมดทั้งคอทั้งตาเหมือนการเจริญสติจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เคยขับเรามาขับจิตเราใหม่ๆเราจะเพ่งจะจ้องแทนที่จะปฏิบัติทำแบบเจริญสติก็กลายเป็นกระสินไปหมดเลยเป็นการเพ่งเป็นการจ้องเขาให้ระลึกรู้ระลึกรู้อาการกายแต่เรา ก, กลับไปเพ่งจ้องกับอาการกา ย, ยางีนี่ย เพ่งจ้องไปที่ใดที่หนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้จิตมันหยุดอยู่กับอันนั้นอันนี้มันก็เป็นกระสินภาวะนั้นนะแล้วอีกสัหน่อยมันจะกลายเป็นนิมิตขึ้นมาแต่ถ้าระลึกรู้เฉยๆตามระลึกรู้เห็นหนาการเคลื่อนไหวรู้รู้ ร, ร, รู้ในขณะเดีวยวกันมันคิดก็ก็ช่างมันแต่ระลึกรู้อยู่กับกาย ม, กมากๆระลึกรู้ไปเรื่อยๆ มันไปก็ปัดทิ้งซะกลับมาเรลึกรู้ใหม่เร ล, ลึกรู้กายแต่ก็เห็นนะว่ามันคิดมันมีคิดเนี่ยเพียงแต่ว่ามันรู้กายมากกว่ารู้จิตคือรู้อาการกายที่การเคลื่อนไหวเนี่ยจเจริญสติอยู่กับฐานกายกายานุปัสนาเนี่ยตัวนี้มันจะยากหน่อยอยากกว่ามันจะอยู่กับตัวสติก็อยู่กับตัวเนี่ย แล้วมันสามารถไปตัดความคิดไปรู้แจ้งอารมณ์เนี่ยมันจะยากเพราะคนส่วนมากจะด่วนอยากรู้เพราะมไม่รู้ลงทีเราก็พิจารณาช่วยแต่ถามว่าดีไม่มันก็ดีอ่ะแต่ทำให้มันถูกจังหวะถ้ามันไม่ถูกจังหวะมันจะเพี้ยนไปหน่อยก็กลับมาลึกรู้ทำความเพียนเพื่อให้เกิดตัวเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องที่เป็นบทสัมมาทิฏฐิ สมาธิธิคือการเห็นกายเวทนาจิตธรรมามความเป็นจริงเห็นกายในเห็นไหมเวลายกมือนี่เห็นไหมบางทีมันไม่ค่อยเห็นนะเอาอะไรมาเห็นเอาสติมาเห็นระลึกรู้ใหม่ๆเนี่ยรู้มากๆรู้จนกระทั้งว่ามันเกิดการเห็นแจ้งแล้วแหละถ้ามันยังไม่ระลึกรู้ต่อเนื่องมันก็ไม่เห็นแจ้งคือมันไม่แจ่มแจ้งขึ้นมานะการรู้เนี่ย นั่นจะเรื่องรู้มากน้อยแค่ไหนเราก็ทําอยู่นั้นแหละแค่เรืรู้มันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเห็นกายเห็นกายหรือยังเห็นกายตํามหลักสติปัฏฐานสี่ก็เห็นกายตั้งหกลักษณะอาการแต่ว่าอ า, อาการเห็นกายสักหน่อยอีกักหน่อยก็จะเห็นอาการกายที่ปรากฏในลักษณะการคู่การเหยียดอวัอยวะการเห็นลมหายใจเคลื่อนไหว เข้าออกนะเห็นความเหนื่อยหน่ายเห็นทุกข์ในตัวเราเห็นชั่วแว็บหนึ่งก็ยังดีนะคือมันจะสามารถผ่านผ่านไปได้เลยก็ได้หกอาการเนี่ยเกิดความเหนื่อยหน่ายเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็ทะลุไปสู่เห็นอารมณ์ก็ได้เพียงแต่ว่าเห็นชัดเจนให้มันปรากฏเกิดขึ้นด้วยปัญญาของท่านรู้เนี่ย เราจะนำไปสู่การเห็นนิวรณ์ที่มันชัดขึ้นด้วยบางทีเราปฏิบัติทำเนี่ย<ม>เห็นกายสังกเกตดูนะเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเห็นทุกอันเลยเห็นกายเห็นไม่เคลื่อนไหวเห็นเวทน า, าเจ็บปวดเห็นไม่เห็นแต่ว่เห็นกายนี่ก็ชัดอยู่แต่พอเห็นเวทนาเนี่ยจิตมันจะถอยไม่กูอยู่ดีไม่ดีดกูจะกลับดีไหมคิดขึ้นมาทันทีนะเพราะมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันง่วงมันเงายิ่งมาเห็นตัวนิวรณ์เนี่ย เวทนาเห็นจิตเราจิตปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งเนี่ยแต่มันหยุดปรุงแต่งไม่เป็นคือให้เรื้อรื้อรู้เฉยๆเนี่ยมันทําไม่ค่อยได้โดยเฉพาะคนให ม, ใหม่หรือในนี้นะถ้าสมมุติว่ามีคนทําแบบหลับตามาก่อนทํารรพามานาามานัาน่งสร้างจังหวะเดินอนะเนี่ยง่วงเป็นตายเลยเนี่ยนะเพราะว่าในสิ่งที่เราที่ทําผ่านมานะ่ะมันอยู่กับความหลับความเป็นจริงเนี่ยเวลาเรานั่งมันก็ซึมอยู่กับความหลับ เวลาเดินจย ก, กมเวลาเดินกงก็จะหลับเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้สติที่แท้จริงไอ้ตัวเรกรู้เนี่ยแปรรูรอย่างไงก็ตามมันไม่ค่อยชัดเจนยิ่งมาทาทั้งวันหนึ่งเนี่ยสติยิ่งอ่อนที่ยิง่งทุกข์วิธีการก็คือทาด้วยการเรารู้สตินั่นแหละแต่สติมันไม่เข้มแข็งพอคือเราทําน้อยไปตอนใจดีๆทําน่ะเออมันจะดี แต่พอมันหงดหงิดเนี่ยสติมันไม่อยู่เลยอย่างตอนเที่ยงตอนกินข้าวอี่มใหม่ใหม่ตอนมีเวทนาเยอะๆมันร้อนมันอบอ้าวมันหนาวมันนี่มันจึง่วงจะงงจะซึมไปหมดนสติมันไม่ค่อยเข้มแข็งดังนั้นทีนี้เราจะมาฝึกสติระลึกรู้ให้มันเข้มแข็งทุกสภาพการตอนเช้าก็ฝึกมันงวกก็จังงมันมั่งง่วงแล้ก็เอาไม้ฝึกอยู่ในนั้ ตอนสายเราก็ฝึกเพราะถ้าเราไม่ฝึกความคิดมันก็เอาไปกินมันเข้ามาในชีวิตเราทั้งหมดเลยแล้วเราก็เฝ้าดูต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ลองดูทุกตามหลักสติปัฏฐานสูตรมองว่าถ้าใครเจริญสติแบบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ตั้งแต่ตื่นนอนจนทั้งหลับตาลงภายในเจ็ดวันคนมีปัญญานะที่นีเราก็ มีวิญญาไม่มีวิญญาไม่รู้แหละเพียงแต่ว่า เ, เรามีเวลาประมาณเนี้ยามากกว่านี้ก็คือต้องเป็นนักรถนักบวชซะในชีวิตช า, าบ้านก็จะประมาณเนี้ยเจ็ดวันถ้าตั้งใจทําเป็นพระอรหันต์เนาะถ้าทําต่อเนื่องได้อย่างน้อยเป็นพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นยังไงเราก็มีความเข้าใจว่าเนื่อพระอรหันต์ก็คือผู้ไม่ทุกข์นั่นแหละนะพระอนาคามีก็คือมีทุกข์ในน้อย น, นี่ลองลองทำดูดิมือเถือมันทำได้เราก็มาศึกษามาเรียนรู้เฝ้าดูพิสูจน์ทฤษฎีของพระพุทธองค์ดูว่าเออเันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเร ล, ลึกรู้เนี่ยรู้กายตื่นมาระ ล, ลึกรู้เลยากา ย, ยาขตาสติสติตามระลึกรู้อาการกายดูอาการกายนี่มันจะรวมทั้งความคิดด้วยนะ เวลามันแวบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอาการของกายแบบหนึ่งที่มันแวบของมันนี่แล้วมันก็ไม่ได้มาจากไหนเนี่ยมันมาจากจากความคิดเราจากจิตเรานี่แหละจิตมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายสติระลึกรู้จิตที่มันมีถ้าคือกายเป็นที่อาศัยเราเฝ้าดูกายจะเห็นความคิดมันแวบเข้าแวบออกอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่วิ่งตามมันไปเวลามันคิดก็อย่าไปยุ่งกับมัน ดูมันคิดปุ๊บทิ้งทันทีเลยกลับมาเลยรู้เฝ้าดูใหม่เฝ้าดูใหม่เฝ้าดูตรงที่มันเกิดถ้ามันออกไปแล้วก็แล้วไปจะไปวิ่งตามมันไปเหมือนเราวิ่งดูรถที่หน้าเนี่ยศูนย์เราเนี่ยเวลารถมันวิ่งมาเราก็เห็นมันเพิ่มผ่านไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันดูแต่ตอนมันพุทธออกมาด้านี้ผ่านมันจบไปไม่ดูดูใหม่เฝ้าดูใหม่มันออกมารู้มันไป ไม่ต้องไปตามดูว่าเสียงรถนี่เป็นยังไงรถมาจากไหนรถใครยี่ห้ออะไรไปช่างใไม่ๆหม่ต้องสนใจว่าเป็นราคะโทสะโมหะมุนิดหรือัดขัดเครื่องยังไงก็ไม่ต้องมาสนใจอ่ะพราะมันออกมาผ่านไปเลยกลับมาเรื ล, ลึกรู้ใหม่เท่าดูอย่างเงี้ยชื่อว่าเป็นการดูกายดูเวทนาดูจิตดูทำไปในตัวเวลามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็เปลี่ยนแข่งเปลี่ยนขาไปตามตามอัตภาพอันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้าคนทํากสินเนี่ยมันจะเป็นการเพ่งแล้วไม่เปลี่ยนแข่งเปลี่ยนขานนะเวลาเจ็บเวลาปวดจะดูยิ่งมีเวทนามากเท่าไหร่เนี่ยพวกกสินเนี่ยมันจะชัดมากเพราะนั้นนะเพราะกสินเนี่ยต้องอาศัยความอดทนสูงแต่ไม่ได้ใช้สติปัญญาปัญหามันเลยใช้ความอดทนนั่งอยู่นั่นแหละดูอย่างจริงมันไม่มีความจําเป็นนะ่ะ พุทธธรรมเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นแบบนั้นคือเพียงระลึลกรู้ดูดูทุกสุขมันเกิดขึ้นยังไงเรามาศึกษาเรื่องการปล่อยวางมันมันมันไม่มีเวลาพอที่จะไปเล่นกับเรื่องสมาธิที่มันอยู่นอกแนวพุทธนะคือดูกายเวทนาจิตธรรมมันจะเหมือนกับเอฌานที่บอกว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกัคขต า, าอุเบขาเนี่ย ใหม่ๆเนี่ยมันจะเห็นอาการของกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยไปพร้อมกันแต่มันไม่ค่อยชัดแต่มันชัดอันที่หนึ่งนะนี่เหมือนกันคนปฏิบัติธรรมเขาได้ฌาญในเบื้องต้นเนี่ยวิโตกวิจารปีติสุกเอกับกตากมานพร้อมกันหมดเลยแต่ทั่วที่ชัดที่สุดคือตัวตัววิตกวิจารแม่มีปีติก็ตามปีติก็จะมหนุนตัวให้วิตกวิจารทั่วคิดเรื่องธรรมะธรรมะ ตัวเขาอยู่กับอารมณ์ตัววิวจารเรื่องสภาพธรรมเนี่ยดีใจเออบิ่มใจพอใจกับอาการนันนี่แต่ปีติมีไม่มีสุขมีไม่มีเอกคตามีไม่มีแต่พวกนั้นจะไม่ค่อยชัดเหมือนกันกันกบเราเจริญกายยัตาสติถ้าสติยังไม่เข้มแข็งเจริญระลึกรู้โยกกายเนี่ยตัวเวทนาจิตธรรมมารมที่ปรากฏเกิดขึ้นมันจะไม่ค่อยชัดแต่เห็นไหมเห็นพร้อมกันไปหมดนะ เห็นพร้อมกันไปหมดนั้นในหลายคนจึงชอบเจริญอาณาปานาสติเพราะว่าไปดูพระสูตรในอาณาปานาสติเนี่ยรู้สึกว่ามันมันจะครบเครื่องเลยนะครบเครื่องกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะครบอยู่ในนั่นแต่เวลาทํำแล้วมันทําไม่ได้อะครบก็จริงอะ่ะแต่มันทําไม่ได้คือพอไปนั่งภาวนาหลับตาแล้วมันจะหลับนะสติมันอ่อนมันเข้มแข็งยาก แต่ว่าการยกมือสร้างจังหวะนี่มันเหมือนกับเวลาจะเอาต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยเราถอนต้นก้ามันเอาไปปลูกพอปลูกุวกมันเหมือนเสียบต้นเสียบไม้ไปดามเอาไว้แล้วผูกติดไว้อย่างการยกมือสร้างจังหวะนี่ช่วยไม่ให้เราง่วงนะช่วยไม่ให้มันง่วงช่วยไม่ให้มันเบื่อมัน ง, งุนงิดแต่ถ้าเรานั่งลเลยเฉยมันเกิดจะง่วงคอต้นไม้ที่ต้นกล้าที่เราไปปลูกใหม่มันจะพับลงทันที นั้นเราก็ลืมตาตื่นตัวยกมือเคลื่อนไหวระลึกรู้สติตามรู้ตามนะสติรู้ตามท่านทั้งหลายอย่าไปคิดอะไรเวลาทําช่วงใหม่ๆเนี่ยความคิดมันอาจจะเยอะเพราะเราไม่เคยจับฉิดมาให้อยู่กับปัจจุบันเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่เคยมันก็คิดถึงคิดถึงอะไรคิดถึงอดีตแล้วนั่นแหละอนาคตแล้วนั่นแหละจตกระช่างมันเถอะ และลึกรู้ไปสักสองสาวันเดียวมันจะหดตัวลงหรอกพอไม่สนใจมันเดียวมันก็ค่อยๆซึมค่อยๆหดเข้าหดเข้าหดเข้ า, ขาและจิตจะเริ่มมาอยู่ดีกันและลึกรู้อยู่กับกายมันจะเริ่มต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเน่ยนะนะมันจะสามารถระลึกรู้กายเวทนาจิตทำไปพร้อมๆกันต่อมาระลึกรู้กายมันชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะก็จะข้ามมาดูเวทนาดูจิต แล้วมาดูอารมณ์อย่างที่เรื่องของนี้วรธรรมที่สวดไปเห็นความม่วงก็จะเห็นชัดมันจะชัดเหมือนเราเห็นกายแหละเวลาเราเดินเห็นกายชัดยังไงเห็นความม่วงก็เห็นเหมือนกันเห็นกายชัดเจนเห็นความม่วงชัดพอมันชัดมันก็หายอะความม่วงเนี่ยสติมันเห็นชัดเนี่ยมันจะหายแต่ถ้ามัน ไม่ชัดมันก็ไม่หายมันก็ง่วงก็เดินไปนัน่นเดินไปนี่ตามเรื่องเดินเข้าห้องน้ำมองทา่ายิ่งใครอยู่ใกล้กุฏิก็ยิ่งลำบากหน่อยนะก็จะง่วงจะเหงามางทีก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านแทนที่เราจะดูมันเนี่ยเราจะไม่ดูนะอุตจักกุกุจักกุกุจนะักคือมันมันชอบจิกกุกุกจักเนี่ยมันแปลว่าไก่นะ ไก่มันมีลักษณะมันชอบนะชอบจิกป๊กปอกปอกปอกปอกเหมือนกันเนะ่ะเวลาเราปฏิบัติทำเหมือนกันจิตมันจะชอบคิดนั่นคิดนี่ จ, นนจิกนั่นจิกนี่คุยเขี่ยไปนะไก่ที่มันคุ้ยเขี่ยได้ดีที่สุดคือคือกองอุจจาระจิกเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนว่าสภาว่าจิตของเราที่มันเป็นกุกกุกูจะเนี่ยคือมันจะคุ้ยเขี่ย มูลของความคิดคืออุจจาระทางความคิดเนะี่ยที่อยู่ในจิตเราเนี่ยมันจะสับออกมานะแล้วมันก็กระจายแล้วก็เขียเขยเข่ยไปเขี่ยมาเขี่ยไปเขี่ยมากินความคิดกินความสกปรกเก่าๆของจิตกลับไ ป, ไปกลับมาอยู่นั้นแต่อีกสักหน่อยเถอดเดี๋ยวมันกระจายไปในดินมันเดิมเขียบไปเขี่ยมัน้ก็ทับถมแล้วก็สลายไปเพราะจริงๆคื อ, คอมันไม่มีอะไรนะแต่มันเป็นขยะอย่างหนึ่งนั่นเอง แล้วก็ทนมันสับหน่อยก็ <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบถ้าฉลาดเป็นมันก็จะดับไปไวเพราะจริงๆมันก็ไม่มีตัวตนแต่เราสร้างภาพเราหลงเน่ยหลงหลงหลงเข้รียวโมหะหลงเข้าไปว่าความคิดนี่มันเป็นตัวเป็นตนะมันอยู่ในใจเราเราก็เลยสับอยู่นานคุ้ยเขี่ยไปมาแล้วก็สนุกกับความคิดอันนั้นว่าจะทําความคิดอันนั้นให้เป็นอย่างนั้นความคิดเป็นอย่างนี้ ชีวิตมันหลงอยู่แบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วเราจึงมาเฝ้าดูว่าถ้าอะไรที่มันเป็นสัจะธรรมเนี่ยมันจะทนต่อการพิสูจน์แต่ถ้าอะไรไม่ใช่สัจะธรรมเนี่ยมันจะไม่ทนต่อการระลึกรู้เวลาเราลึกรู้นานเข้านาะนเข้าเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็ดับไปนี่คือดูกายเวทนาจิตธรรมพอเรามาดูตรงธรรมารมเนี่ย เราเริ่รู้ไปเรื่อยๆ น, นะกับกายเราแต่เราก็เห็นจิตเราเห็นเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นพวกถินมิทะพวกอุทะจักกุข จ, จักตัวง่วงตัวเงาตัวพุ้งซ่านตัวลำคาญอีกส่วหนึ่มันก็ดับไปดับไปเห็นมันเกิดขึ้นมันดับไปเนี่ยตัวอ น, นิจจังมันก็จะเริ่มปรากฏเกิดขึ้นทันทีอนี่ยถ้ามันไม่อ น, นิจจังก็ถูกทุกข์มันขังเนะ่ะชีวิตเนี่ยเดินไปเดินมากับความคิดมันขังเราเองเราออกจากความคิดความปรุงแต่งไม่ได้ ถ้าทำลายได้ก็กลายเป็นอนณตตาขึ้นมาแต่คนไหนที่อยากให้มันเข้มแข็งไวเนี่ยให้มันผ่านความง่วงไวๆปฏิบัติธรรมนะพอค่าได้ค่าเลยวันสองวันสามวันนี้ให้หลุดไปเลยได้ดีปฏิบัติธรรมระดับไหนก็ตามนะนานๆทีบางคนโอ้คนนั้นก็เป็นคนเก่าก็นี่เก่าไม่เก่าเก่าไม่เก่าก็นิวรณเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจะละเอียดลงกว่าคนปกตินี่ นี่วอนนะอย่างความง่วงของคนทั่วๆไปก็เป็นอีกแผบหนึ่งมาใหม่ๆเนี่ยแต่คนานานๆไปก็จะละเอียดลงละเอียดลงมันจะเป็นซึมๆมันเหมือนไม่มีความคิดเนี่ยแต่มันจะซึมเศร้าอยู่ข้างข้างล่างในจิตเนี่ยมันไม่ไม่ตื่นดีจิตเนี่ยนั้นต้องข ย, ย่าธาตุรู้นี่มันชัดๆขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นความซึมเศร้าหงอยเหงาเนี่ยในระดับที่นิมิทะอีกหนึ่ง ในระดับการมาสาวะเป็นแบบหนึง่งคือมันจะอยู่ข้างในอะแต่คนรู้ไประดับความคิดอดีตอนาคตแต่พอดับมาลงมาหนึ่งก็จะเป็นเอา้าเป็นเป็นราคะคือความพอใจความกวาหนัดความใคร่ในความคิดที่มันจะเป็นชิ้นเป็นอันมันนี่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ไม่รู้มาเป็นกองทัพ แต่พออยู่นานๆบางคนเนี่ยเขาจะมีแค่เรื่องสองเรื่องที่เดินกลับไปกลับมาเนี่ยที่พยายามที่จะดับมันนะมีประมาณนั้นมันไม่มากแต่รู้สึกว่ามันไหล อ, ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยแคนั้นเองมันไหล อ, ออกมาไหล อ, ออกมาไหล อ, ออกมาคนทํานานๆเนี่ยอย่างอาสวะเนี่ยเขาแปลว่าไห ล, อ อ, อ, ไหล อ, ออกมาไหลออกไหลออกมาจากจิตทีนี้เรามีสติมากๆก็ไปดับมันไม่ได้นะ ต้องปล่อยมันไหลมาลิลิโจ้ถ้ามันมันเหือที่ยงมันดับไปเองเวียนไปแต่มีความพร้อมของกําลังของมักเนี่ยมันถึงจะไปตัดตรงนั้นได้จึงจะเกิดความสว่างขึ้นมาทันีเนั้นมีวิธีเดียวที่จะสามารถดับทุกข์ให้กับชีวิตได้เนี่ยคือต้องทำสติให้มันมากๆสติคือความระลึกรู้ความต่อเนื่องของสติ ขึจะตรงกับคำกล่าวที่ว่าให้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือการเห็นกายเวทนาจิตธรรมคือเห็นกายเห็นใจตัวเองเนี่ยอยู่บ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นกายเห็นอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าอารมณ์ไม่มีบางทีมันไม่มีอารมณ์ทุกวันนะทากวันมันก็เฉยๆพอมันเฉยๆนี่ทาไงก็มมอะไรรู้อยู่กายอยู่กับฐานกายนี่ ถ้าคอมนิดถ้าโจรเขาไม่มาพวนเปี่ยนก็ อ, อย่าไปเพ่นพ่านเราอยู่ในหลุมบางคือเราแหละรอดูอยู่ไปเรื่อยเรื่อยเู้ซ้อมไปเรื่อยเรื่ลลอยเรื่รู้ต่อเนื่องพอมันมาเห็นไหมพอเห็นปุ๊บมันดับได้ทันทีไม่รูบพอมันมาแล้วเราติดมันไปนะบางทีความคิดชื้นชั่วมาเนี่ก็หลุดยากบางคนก็หลุดง่ายแต่ถ้าความคิดดีๆมาก็ติดอีกละฉนะนั้นก็สังเกตดูข้อสังเกตได้หนึ่งก็คือคนไปปฏิบัติทำเนี่ย มันคุยกันปัญหามันนะคุยกับคนนั่นคุยกับคนนี้เราทายยืนดูเอ้าคนกวาดขยะก็คุยกับคนกวาดขยะคนจะไปเดินจงกรมก็คุยกับคนไ่เดินจงกรมเอาตายพอดีเลยเอามาเจริญสติก็ไม่ได้เจริญสติแหละเจริญแต่ความคิดนั่นแหละแล้วมันจะได้อะไรมันไม่ได้นะจับไม่กวาดก็จิตก็อยู่ในนั่นคือให้สติต่อเนื่องบางคนอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็เข้าไปกับโทรศพัพท์เนี่ย ผมจะได้อะไรจะยากนะคือเราต้องต้องดูว่าเงื่อนไขที่ทำให้จิตเราวิ่งออกนะมีอะไรบ้างแล้วเราอย่าไปยุ่งกับมันบางคนก็ไม่คุยกับเพื่อนกับฝูงหรอกแต่คุยกับโทรศัพท์แล้วเวลาเขาพูดอะไรกับมาเราเอามาคิดนะปัญหามันนะจิตเราจะเก็บมาแล้วมันจะคิดมันก็ไม่ต่อเนื่องไปตึงจกมกับคิดไอ้ที่นั่นแหละ อันเขาว่าการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเนี่ยแย yeah, ่มากๆปฏิบัติธรรมสำรวมอินสีตาหูจมูกล่้นกายใจโภชเนมัตตันยุตากินพอประมาณหย่ามันอึนอดอดัดแล้วก็ชาคริยานุโยกและลึกรู้ตัวอยู่เสมอเพื่อประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นของจิตให้ปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง ที่ถ้าเราไปพูดไปคุยมันก็ยากลําบากก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าจะให้ดีเนี่ยคนไหนเอาโทรศัพท์มานะั้นไปฝากประตูนะไว้อย่ า, อาไว้กับตัวเองนะหรือมาฝากของตาไว้ก็ได้มาทิ้งไว้ที่โต๊ะนี่จะช่วยได้เยอะมากถ้าเราจะเห็นปรากฏ ก, การณ์การเปลี่ยนแปลงทางจิตเนี่ยเราต้องกล้าทิ้งกิเลสอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสตื้นๆอยู่หรอกแต่ว่า แต่ว่ามันก็ อ, ออกยากมันเสียดายลองลองจากมาดูให้เหลือแต่ตัวลว้ลวนๆลองดูอ้าวเอาโทรศัพท์ไปฝากประตูไว้ดูดิแล้วเดินเจริญสติตลอดเนี่ยมันจะช่วยได้ขนาดพระที่อยู่กับรงตาเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ซักองค์นะมันก็ยังยากนะปฏิบัติธรรมเนี่ย ยิ่งถ้ามีโทรศัพท์แล้ว ม, มาคุยอารมณ์ขึ้นนี่เลยทุกวันทุกวันวันนี้ก็คุยขึ้นวันนี้ก็คุยขึ้นเนี่ยจะยากลำบากแล้วจะพูดจย่คุยกันอยู่ใครอยู่มันละตั้งใจทมเนีย่ยจะได้แล้วอันหนึ่งก็คือคือที่นี่เขาอย า, อยากเปลี่ยนนิสัยใหม่ของคนนะเวลาตอนเย็นเขาให้ไปอาบน้นํานี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณต้องให้มันเสร็จเพราะมันห้องน้ำม้งท่าก็สะดวกในที่พักก่อนอาศัย มีอยู่แล้วนะน้ำร้อนำน้าเย็นโหดสะดวกอะไรยังก็อะไรดีดวงตากลัวแต่ว่าความสะดวกจะฆ่าคนปฏิบัติธรรมนั่นเองแต่ถ้าใช้เป็นก็เป็นอย่างโลกปัจจุบันนี้มันจเจริญเนี่ยเขาจเจริญทําไว้เพื่อสร้างความสะดวกให้กับคนมีสติแต่ถ้าคนไม่มีสติอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะรอดสู่สัจธรรมเห็นแจ้งเนี่ยยากมากเพราะกิเลดทั้งนั้นเลย ความสะดวกนี่ให้เด็กใช้นี่อันตรายเหมือนกันนะความสะดวกให้คนขาดสติใช้อันตรายแต่ความสะดวกให้กับคนที่มีสติเนี่ยจะดีมากๆ ม, มันจะเอื้อเฟื้อต่อการเดินทางทางจิตเขาได้เป็นอย่างดีนั้นเวลาอาบน้ำเสร็จปุ๊บไปเลยเขาตีละครแม่งหก ผ, ผมเขาไปเดินโยกมเนี่ยไปให้ทันเขา แต่บางคนไปไม่ค่อยทันนะบางทีเราจะอ้างว่าแก่ว่าเจ็บแข้งเจ็บคันนู่นนี่เราลองเปลี่ยนนิสัยลองดูดินะถลกหนังชีวิตเดิมเดิมเรานาะออกแล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนรูปแบบในการดํารงชีวิตการดําเนินกิจกรรมลองดูที่ทำตามพระที่เขาสอนเนี่ยเราทําเป็นไหมเอาไปเดินจูกลมทันเวลาไหมกลับมาทันเวลาไหมกินข้าวดื่มน้ำประณะเนี่ยภายในเวลาที่จํากัดเนี่ยเราจะทันไหมเรา ชีวิตมันคืออย่างว่านะลองพัฒนาดู a ันแอคทีฟได้ไหมไม่ต้องสวมเครื่องประดับตกแต่งตัวเองแหวนเวนิวน้นส่ย้ยโครงเส้ยคออะไรเนี่ยเอาออกดูที่ทำเหมือนซีนแปดนะแต่ที่เราก็ไม่ได้รับเหมือนบอกว่าประเพณีวัฒนธรรมอะไรที่เนี่ยเราคือถ้าเราศึกษาเรื่องของปรัตญธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจโดยธรรมชาติเลยว่าอะไรควรใช้ไม่ควรใช้อะไรควรประดับไม่ควรประดับอะไรควรมีไม่ควรมี อะไรควรช้าอะไรควร ด, วด่วนคนเร็วเนี่ยแต่าบางคนมาปฏิบัติทำว่าเฮ้ยช่างเขาเถออปล่อยวางแล้วแต่ใครจะทําตายบดีเลยได้อย่างเงี้ยนิสัยเราก็จะเหมือนเดิมนะแต่ถ้าเราเร็วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเราจิตเรามีความพร้อมแล้วมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ที่จะศึกษาแล้วในที่สุดมันก็จะสแกนในพฤติกรรมเก่าๆนะออกไป บางทีมันก็จะมีความอึดดัดนะถ้ามันไม่พร้อมเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องเร็วต้องไม่ต้องเช้ามันจะอึดดัดคงนีแล้วมันจะสามารถมองกลับมาที่จิตตัวเองในบรรยากาศที่ที่พระท่านพาธรรมเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวนี่กูอึดดัดขนาดนี้เหรอกูงุนขกกนาดเนี้ยนีย่กูทําไม่ได้เลยเอย้ฝืนไปฝืนมาเอ้ทาไมทําได้อ่ะจิตมันจะเปลี่ยนไปมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นมันจะปล่อยขึ้นวางขึ้นสมรรถนะทางจิต กำลังมนเนี่ยจะสูงขึ้นนั่นเองอะแต่ถ้าเราเ่อยแล้วแต่จะเป็นแล้วแต่จะไปค่อยๆย่องมาตอนทําวัดก็พาตอนอะไรยัจานเนี่ยคือต้องต้องพัฒนาไปมากกว่านั้นอ้าวตอนนี้ท่านพากวาดกวาดตอนนี้พ า, าท่านเดินจูกมเดินจกมอย่างนีน้ให้มันเป็น ก, กิจกรรมที่มันเป็นอันเดียวกันตอนนี้เขารับน้าปะนาณะเนะขาต้องรับนําปะนะะลองลองดูอะเราลองฝึกดู ถ้าอยากให้สังคมไทยมันดีขึ้นเนี่ยอันนี้มันมันเป็นการเจริญสติเพื่อพัฒ น, นาชีวิตมันเป็นการสร้างสันติภาพในจิตตัวเองถ้าเราเอื้อเฟื้อต่อระเบียบวินัยเนี่ยมันจะนำไปสู่สังคมและองค์กรทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนจะมีความคิดด้วย เอ้ยใจมันสบายเลยช่างเขาเถอะเรื่องอย่างเงินนะไ่ไอ้นี่แหละที่สังคมมันไม่มีระเบียบนะนะมันยากตรงนั้นแหละนั้นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสลายพฤติกรรมมันี้ออกไปแล้วเราก็เรียนรู้ใหม่พยายามตั้งใจโดยเฉพาะเรามาทำโลกกันเอ้าไม่นานอะ่ะเจดวันเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายหลากหลายนะใจเราลองเป็นดวงที่ทำให้มันเหมือนน้ำเทใสอะไรก็ทาได้ มันจะไปไปได้ไวนั้นการมาอยู่ร่วมกันที่นี่ก็คิดว่าวันสองวันผ่านมานะหลายๆคนยังไหลาตามอารมณ์แรงความคิดตัวเองอยูนะ่ลองบังคับตัวเองว่าเขาตีละครค่อยอาบน้ำลองเดินจง ก, กลมเอาไม่ออกจากทางจงกลมดีๆวันนั้น ทำให้มันต่อเนื่องนี้ตื่นมาเนี่ยพยายามกําหนดรู้ต่อเนื่องถ้าคนไหนทําได้กําหนดรู้ต่อเนื่องมันจะมีช่วงหนึ่งหรอกที่ที่สติมันจะตื่นโพลงขึ้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนสถานะจากการเลยเลึกรู้ลําบากเนี่ยต้องกําหนดรู้มากๆจะกลายเป็นมันรู้เองโดยอัตโนมัติมันได้เลยตัวสติเนี่ยคือสตินี่มันต้องบวกตัวขันติเข้าไปด้วยทั่วอดทนด้วยและตัววิริยะสติมีศรัทธามีวิริยะ มีสมาธิมีความเพียรพยายามและมีการสังเกตที่จะสลัดอารมณ์สลัดความขี้เกียจความเบือ่อความไหนื่อยอะออกไปเนี่ยแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่มันมันรวมกันเข้าเนะี่ยอินทรีย์ทั้งห้าเนี่ยศรัทธาปัญญาสติสมาธิปัญญารวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวแล้วเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นโพรงสว่างแจ้งขึ้นมาแล้วตัวสติ ที่มันใน้นอนเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นเป็นรู้สึกตัวทั่วพร้อมเลยทีนี้จะแปลกว่าเออมันสามารถเห็นกายไปด้วยแล้วนะเดียวกันความคิดแล้วทำไมมันน้อยจังนะทีนี้เหมือนความคิดมันหดตัวเข้าแล้วมันจะเห็นกายกับจิตไปพร้อมๆกันชัดเจนได้เลยถ้าคนไหนอยากเดินทางลัด ก, ก็คือต้องพยายามอะทิ้งอะไรที่ควรทิ้งนะวางอะไรที่ควรวางอย่างโทรศัพท์เนี่ยลงตา เห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญมากที่เราหาห่างใกลบ้านมาันงทุกคนมันมีธุระนะอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ไม่ใช้หรอกแต่ขออยู่ใกล้ก็ถือว่าดีแล้วบางทีอยู่ใกล้โทรศัพท์ยังว่าดีได้เปิดดูว่าใครส่งข้อความอะไรเข้ามาบ้างน้องไม่โทรเลยเงียจิตมันจะอ้างโนดนอ้างนี่นะดังั้นทางที่ดีที่สุดก็คืออย่างว่านะลองดูดิ ลองจากนางกันหาชาลีสักวันหนึ่งสองวันเจ็ดวันเนี่ยลองทิ้งดูดิกันหาคือตันหานะ่ะชาลีคืออุปทานชาละไปว่าขา ย, ยทิ้งความอยากอยากคิดอยากพูดอยากคุยตันหาเรานะแล้วก็อุปทานคือความยึดติดเนี่ยยิดติดในนั่นแหละลองดูดิสักหกเจ็ดวันทิ้งกันหาชาลีเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะได้กลับเมืองกลับพรนะนครน่ะ เดี๋ยวเขาจะเห่พระเวสสันดรกับข้าวเมืองก็คือจะเกิดการรู้แจ้งนั่นเองอะแต่ถ้าเราไม่ทิ้งกันหาชาลีไม่ทิ้งนางมัตซีพวกเนี้ยไม่ยอมทิ้งความสะดวกสบายการกินการดื่มเนี่ยจะอันตรายปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะออกยากมันจะไม่สามารถที่จะเข้าสู่พรนะนครนั้นนางมัตซีก็ต้องทิ้งนะนางมัตซีนางมัต ซ, ซีนี่หมายถึงตัวนี่แหละความพอใจในรูปรดกลิ่นเสียงเนี่ย ความสะดวกสบายส่วนตัวเนี่ยเราต้องทิ้งทิ้งชั่วคู่ชั่วขณะเฉยๆเนี่ยแล้วตั้งใจทำความเพียรทิ้งสิ่งที่พอกระทบทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางปากนะาการกินนอนกินนี่ไล้ไวลัเบลายโน่น น, นี่นี่นะชอบถูกปากไม่ถูกปากเนี่ยลองทิ้งความรู้สึกแบบนั้นแล้วให้เหลือแต่ความระลึกรู้ที่เป็นหน้าที่ของตัวพุท ธ, ธะ พุโทโธคือรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยล้วนๆเดินไปไหนมาไหนนี่อยู่กับพุท ธ, ธะคือรู้สึกตัวตลอดเวลาคือกําหนดรู้ไปเรื่อยๆกําหนดรู้แบบสบายสบายไม่เพ่งไม่จ้องอะไรเลยลึกรู้มันคิดก็รู้มันทิ้งไปกลับมาแลลึกรู้ดูไปเรื่อยๆมันง่วงก็เห็นมันเบื่อก็เห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นนะแต่ถ้าไม่อยากดูก็เห็นในน้อย แต่พยายามระลึกรู้ยึดติดไว้อยู่กับกายเนี่ยากับการสร้างจังหวะเอาเครือมือบ้างอะไรเคลื่อนไว้หนึ่งทำให้มันต่อเนื่องระลึกรู้ให้มันต่อเนื่องอย่าให้มันหลุดเวลาเดินบางทีนี่ระลึกรู้ทีแรกก็ดีอยู่แต่พอมันมาเป็นกองทัพเนี่ยตัวง่วงตัวเหงาตัวโคตรง่วงเข้ามาเนี่ยจะอันตรายก็มีวิธีแก้ก็คือทํำแรง ทำจิตมันให้มันตื่นตื่นอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วบางคนเอ๊ะมันไม่ค่อยมีความคิดนะตอนนี้เน่ะจิตมันสบายนะมันโลกมันโปร่งก็พยายามระลึกรู้ให้ต่อเนื่องยิ่งทําให้มันมากๆาะต่อเนื่องเจริญไปเรื่อยๆเอาสติสมาธิเดี๋ยวมันก็กระทุ้งความคิดอุปทานทั้งหลายตัวพวงมันจะไหลออกมาเองหรอกเวลามันออกมามันจะเอาไม่อยู่ปัญหามันบางคนก็ไปติดอยู่กับความสงบซะ คือตัดทิ้งไปไว้ปล่อยวางไว้ไวมันมีปีติมีอะไรเกิดขึ้นก็ก็รู้เี่รู้แล้วก็พยายามในลึกๆให้อยู่กับปัจจุบันที่สุดนเขย่ามันให้กลับมาปกติที่สุดแล้วปีติเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะจากขนลุกขนพองเนี่ยมันจะกลับมารู้ตัวล้วนๆเพื่อจะทําหน้าที่ทําลายตัวสมุทัยของอริยสัจที่จะปรากฏในจิตเราเนี่ยนีย่ยตัวปรุงแต่งตัวฟุง้งซ่านตัวงุนหงิดตัวอึดอัดตัวอะไรอย่เงี่ย มันจะขึ้นมาแต่ถ้ามันมีปีติอยู่มันก็ไม่ทําหน้าที่ในการสลายอารมณ์พวกนี้เพราะว่าปีติจะคลุมไม่หมดเลยความคิดก็ไม่ปรากฏความง่วงก็ไม่มาอะไรก็ไม่เกิดน่ะมีแต่สุขกับสุขเนี่ยเราก็จะไม่เห็นทุกข์เลยว่าทุกข์มันเกิดมันดับยังไงมันจะไม่เห็นมันนั่นจะไปกลัวนะเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยดูเฉยเฉยคว่าอย่าไปกลัวคือจะไปกลัวมันทุกข์แต่จะทําให้มันเป็นทุกข์นะ่จะไปกลัวความทุกข์ คือดูความทุกข์เฉยๆถ้าดูความทุกข์ไม่เข้าไปในทุกข์แล้วทุกข์มันจะกัดเราได้ยังไงเราเป็นคนดูมันนะเราไม่ใช่เราเป็นทุกข์เราเป็นคนดูทุกข์เราไม่ได้เป็นทุกข์ไทุกข์มันก็ไม่กล้ากัดเราหรอกถ้าความง่วงเกิดขึ้นเดินจงกรมดูความง่วงแต่อย่าไปเป็นง่วงถ้าไปเป็นความง่วงเราก็ง่วงเลยแหละ เ, เดินมันดูมันเดินจู่ๆถ้ามันหายไปเน่ะเขาว่าง่วงเป็นอนันตาจริงหรือเปล่าก็ดูให้มันเห็นมันเป็นอนันตาจริงๆทงั้งๆมันก็ไม่ดับนะอันดูไปดูไปดูมาเดี๋ยวถ้าได้สติเข้มแข็งเนี่ยมันเหมือนมีพนักงานอยู่ข้างในใจเรานะมีคนสองคนอยู่ข้างในใจคนหนึ่งจะมีพลังในการที่จะทําลายไอ้ตัวอกุศลทําแล้วจะเห็นว่าโอ้มันเป็นมวยที่น่าดูมากมันสนุกนะ เวลาตัวห่วงตัวเบือ่อตัวไหนขึ้นมามันทุบทุบทุบอ้าวสว่างแจ้งไปรเร้เลยเดินก็สนุกแหละทีเนี้ยแต่สำคัญก็คือทำไงจึงจะเลี้ยงตัวรู้ที่ขึ้นมาจนทั้งโตแล้วมีน้ำหนักหมัดพอที่จะกระทุ้งไอ้ตัวกิเลส ต, ตัวนิวรทั้งหลายที่สวดมาเมื่อกี้ได้นิวรมีห้าตัวนะนะการมาฉันทะการมาฉันทะความคร ทางตาหูจมูกลิ้นกายความใคร่ใกล้่างความใคร่ความพอใจเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาทีนา่ท น, น, นิมิตหงอเงานอนฟุ้งซ่านลำคาญงดหงิดสงสัยลังเลความซึมเศร้าหงอเงาไม่ฟุ้งซ่านนะแต่ซึมซึมเศร้าๆมันก็ไม่ตื่นทำให้มันตื่นไอตัวไม่ตื่นนี่ก็เป็นอันหนึ่งนะ ทีแรกก็ทำดีมันเหมือนไฟเว ล, ะละาเราเผาดีๆนี่ตรงเมื่อกี้นี่ดีนะอารมณ์รู้สึกว่าอปลอดโปร่งสโลว า, วาสว่างสบายแต่พอสไลดหนึ่งไฟมันไหมแล้วมันเป็นขี้เถ้าลงมาเราไม่ขย่านะพอไม่ขย่าเนี่ยมันจะกลบังนั้นขยับแรงๆเดินแรงๆยกมือสูงๆหายใจลึกๆนะหรือบางทีเวลาขย่ามากขี้เถ้ามันมากบเยอะเนี่ยมัน มันก็ไม่เห็นแสงสว่างเปลวเพลิงเนี่ยมันไม่ปรากฏขึ้นเวลาเขย่าปุ๊บมันก็หายออกไปเนี่ยแล้วมันจะโปร่งโปล่งๆขึ้นมาอีกคือถ้าให้เห็นมันบ่อยๆแบบนั้นเนี่ยบ่อยๆเรื่อยๆแล้วอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะฉลาดพอพอมันจะเป็นขี้ขมาเนี่ยเราจะเขย่าตัวเองทันทีเลยเนี่ยแล้วมันจะหายไปเอาอาจจะกระพริบตายเงี้ยเห็นแล้วมันจะดับไปมันจะหายไปหายไปมันก็จะสนุกเนี่ยแทนที่เราเป็นทุกข์กับชีวิตเราก็เห็นกับชีวิตนี่มันเป็นเรื่องที่ความสนุกนี ยิ่งดูเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมีความสุขกับการเห็นธรรมเนี่ยเมื่อก่อนนะเป็นทุกข์เพราะเห็นอะไรก็มีแต่ทุกข์กับทุกข์ต่อมาก็จะเห็นเป็นธรรมะทําไมชีวิตนี่จะเห็นเป็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นธรรมะอยู่กับธรรมะเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจจ์เวลาไปใช้ชีวิตก็คือชีวิตนี่ก็เป็นพระธรรมอะเป็นธรรมชาติของกัน การปรากฏเกิดขึ้นของธรรมธรรมชาตนะิเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแล้วกระดับไปของธรร ม, มะเนี่ยมันก็จะสนุกนะกับการดูหรือการดําเนินชีวิตเนี่ยการสนุกก็เรียกว่าธรรมะนันธิมีความเพลินในธรรมเพลินเพลินในการเห็นเพลินในการรู้มีความสนุกสนุกที่ไม่เป็นทุกสนุกที่ไม่มีทุกข์สนุกที่ ไปเรื่องของความสะอาดนะท่านจิตมันมีความสะอาดแต่ถ้าสนุกแบบโลกโลกก็คือสนุกเป็นทุกข์มันมีความสกปรกอยู่ภายในมีความโศกเศร้าเสียใจความรักความชังแฝงมาด้วยในนั้นแต่นี่มันเป็นความสนุกที่มันสะอาด mm hmm. ภาษาพระคัมภีร์ว่ามันเข้าสู่กระแสของมรรคก็จะเห็นสุขเห็นทุกข์ที่ปรากฏขึ้นตามความเป็นจริง นนชีวิตที่ผ่านมาที่มันเหลวไหลไร้สาระหรือที่มันหลงผิดไปมันเป็นการสร้างภาวะของความเป็นมีอัตตาตัวตนความใคร่ความพอใจเท่าไหร่ตัวผมันก็ค่อยๆหดหายตัวของมันลงไปเรื่อย ๆ, ๆความเข้าใจผิดที่ว่าชีวิตเนี่ยเป็นบอกเกิดของความสุขชีวิตนี้เป็น เป็นบอกเกิดของความทุกข์ชีวิตนี่เป็นอะไรก็ตามนะมันมันจะเริ่มสลัดความเห็นผิดแบบนั้นแล้วจิตมันจะมันไม่ใช่ผิดใช่ถูกไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นที่เราไม่รู้เท่าทันมันได้เฉยงั้นสุขทุกข์ดีชั่วถูกผิดกจะลายเป็นสมมุติภาวะที่เราหลง แล้วเราสมมุติชื่อให้มันแล้วก็สมมุติไปตามอาการแล้วก็หลงไปไหลไปตามอาการแต่ต่อมานี้เราเป็นผู้ดูเฉยเฉยทุกมันก็ดับไปเองเพราะเราไม่หลงเข้าไปเล่นตามปรางกฏการณ์ที่มันเป็นมันมีความทุกข์มันก็ไม่เกิดจิตมันก็จะสบายสบายสบายอา้อยู่ก็สบายไปก็สบายอยู่ในสถานการณ์นี้ก็สบายกลับไปบ้านก็สบายตื่นขึ้นก็สบายนอนหลับก็สบาย พอเราเห็นเนี่ยเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติที่มันไม่ปรงุงมันไม่แต่งเมื่อมันไม่มีการปรงุงไม่มีการแต่งมันก็ไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดมันก็ไม่มีการดับมาชีวิตนี่ชีวิตที่มันไม่เกิดไม่ดับมันก็ไม่ทุกข์นีแต่ถ้ามันเกิดอยู่โอ๊ยเราเกิดรู้สึกเจ็บใจแล้วเกินหน้าวันเนี่ยเราก็อยากให้มันดับ ก็ อ, อยากให้มันตายไปเอ๊ะทำไมกูจะฆ่าไม่ได้นะความง่วงนี่ทำไงกูจะฆ่ามันได้นะความคิดความปรุงแต่งเราอยากดับมันเพราะมันเกิดนี่เราจะอยากดับอยากฆ่าอยากให้มันตายเนะี่ยบางคนโอ๊ยไปถามปลาวันนี้โอยวันนี้ก็ดีๆหน่อยวันก่อนนะึ้คิดมากกว่า น, นี้ความคิดเกสด์ว่าแก่ลงแล้วมันไม่มีกําลังเท่าไหร่แล้วความคิดมันแก่มันสู้เราไม่ค่อยได้ละวันก่อนนะั้นมันกําลังมันเยอะ ดีหน่อยดีหน่อยมาเริ่มผอมลงแล้วก็แก่เราก็อยากให้มันเจ็บและอยากให้มันตายไปเลยเนี่ยความคิดนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วให้มันแก่เจ็บตายไปแต่มันเกิดแล้วมันยังฝังอยู่โอ้ยมาได้หลายอาทิตย์แล้วมันยังติดอารมณ์อยู่เนี่ยมันเกิดแล้วมันไม่ตายนั้นถ้าเราเข้าใจเราไม่เข้าไปปรุงไปแต่งไปมีไปเป็นกับมันมันก็ไม่มีเกิดเมื่อมันนี้เกิดมันก็ไม่แก่ก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ตายเป็นธรรมชาติที่เฉยเอ้าแล้วก็น่ามีแต่หน้าที่เฝ้าดูอะ บางคนอาจจะตัวนี้ไม่เกิดไม่แก่แต่ตัวนี้ยังเกิดอยู่เนี่ยตัวนั้นยังแก่อยู่ตัวนั้นยังเจ็บอยู่ตัวนั้นยังตายอยู่นี่บางทีนึกถึงหน้าใครเกลียดชังไอ้คนเนี้ยแต่คนอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์ทำใจได้แต่กับคนนี้อุปท า, านเยอะเหลือเกินนะชังมากเหลือเกินนกคิดึ้นมาทีไรแล้วโง่งิดทันทียอย่างนั้นก็เป็นนั้นก็จเจริญสติไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื จงทางว่าเออทำให้จิตมันราบเรียบให้ได้เขาบอกว่าศาสนาหลังจากนี้ไปห้า0ันปีเนี่ยมันจะเกิดไฟบนไลกันไม่โลกก่อนที่จะเข้าอยู่สู่ยุคของศาสนาพระศรีอานศาสนาพระศรีอานนี่เป็นเป็นเป้าหมายนะหรือเป็นอุดมคติของชาวพุทธที่ต้องการไปให้ถึงคือสภาพ ที่มีแต่ความสุขไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีการเบียดเบียนไม่มีอะไรเลยมีแต่ความปกติไฟบรรลัยกันไม่โลกคือเกิดวิปั ส, สนาญาณเกิดการรู้แจ้งถึงที่สุดแล้วเขาว่าพื้นที่โลกนี้มันจะราบเรียบเป็นหน้ากลองก็คือกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งผว ม, มันผูกไหมมันจะถูกไหมพอมันไหมเสร็จปุ๊บพื้นที่ของจิตมันก็ปกติอ่ แล้วมันจะเกิดศาสนาใหม่ศาสนาใหม่ก็คือาศาสนาพระศีอารคือเกิดสภาวะจิตที่มันไม่ทุกข์ขึ้นมาเนะี่ยความปกติที่ถาวรนะปรากฏเกิดขึ้นนั่นคือคืออารมคติของชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยากจะให้เกิดปัญญาญาณคือไฟบันาลัยกัน น, ะนะนะั่นแหละปรากฏเกิดขึ้นในจิตแล้วเราจะเข้าถึงธรรมวันนี้เราก็จะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายของสิ่งที่มันเป็นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เกิดจากความหลงนะจริงๆมันไม่มีนะ มันไม่มีทุกแต่ทุกพอะเราหลงเฉยๆหลงเข้าไปปรุงอย่างที่ว่าถ้าไม่ปรุงพอหยุดปรุงซ ะ, ะมันก็ไม่เป็นอะไรเห็นไหมเวลาเรากินอาหารนะถ้าไม่ปรุงนี่มันไม่กินเยอะนะขี่รถผ่านมาทางมาวันนี้อ้าวไก่ย่างวิเชียนบุรีถ้าไก่ย่างธรรมดาเชียงรายก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเป็นวิเชียนบุรีก็อ้ามันไม่จอดรถชิมดูที่ส้นหมอยประมาณนั้นอนะ มันมียี่ห้อของเขาอุปทานก็ฝังไว้เยอะเอา้ตาตํามะละกออะไรเอะ่ะส้มตําไอ้นูน่นไอ้นี่เขาก็ว่าไปมันก็นึกถึงเนาะน้ําลายไหลดีเนะอย่างโยมนี่เอามะขามมาให้กับน้ําปลามาให้พริกป่นเนี่ยตั้งที่นี่นี่อ๋อพูดที่เฉยกือน้ําลายสอนนะเพราะมันปรุงไว้คือมันปรุงถ้าหยุดปรุงล่ะเห็นเฉยเฉยกระทบเอา้าไม่ปรุงไม่แตง่งมันก็ดับไปดับไปก็ธรรมดา มันไม่มีอะไรเพราะเราไม่ปรุงมันอาหารลองทนี่กลับไปบ้านเนี่ยได้ปลาทูไปตัวหนึ่งเนี่ยไม่มีน้ําพริกก็กินกับข้าวธรรมดาเป็นไงไม่ปรุงจะจบเร็วชีวิตเนี่ยะถามว่ากินอิ่มเหมือนกันไหมอิ่มเหมือนกันแนหะแต่ถ้าไม่ปรุงก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์มันไม่ยาวไม่นานแต่ถ้าไปปรุงมาละเพลิดเพลินเลยอันนั้นก็มีอันนี้ก็มี อ, นนมอันนั้นก็ใชอร่อยอันนี้ก็แซบ่บอันนั้นก็นัวยากลําบาก น, นะที่จะจบนะ ขบวนการนั่นนะทุกงานนะมีโยงคนหนึ่งเป็นพอ อ, อที่สกลนคร น, นะโรงเรียนในะอำเภอนั่นแหละไม่อยากไปปฏิบัติธรรมนะคำสั่งหน่วยเหนือเขาให้ไปปฏิบัติตามเกก็ไม่ไปเพราะอะไรก็ไปเห็นบรรยากาศกินข้าวในกำลังมังแล้วเฮยเกรับไม่ได้ยังอื่นได้อยู่แต่กินข้าวในกำลังมังเนี่ยไม่ได้คนระักินไม่ได้ไปเยี่ยมวัดก็ไม่กิน กินผลไม้เน็ตหนึ่งแล้วกลไปกินข้าวที่บ้านให้เมียหาให้กินเพราะเกียไม่ชอบรู้สึกใสิดสะเอียนกะละมังเนี่ยไม่ชอบดูแลเหมือนหมากินอยูบอนะ่บนข้าให้หมาเนี่แต่เราไม่ไปปรุงแต่งว่าเราเป็นหมาเป็นอะไรนะเราก็กินกินให้มันอิ่มมันจบจบไปเฉยแต่เขาปรุงแต่งนะ่พะพอปรุงแต่งเนี่ยเป็นทุกทันทีเลยปฏิบัติก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อืดัดขัดเคืองขึ้นมานะแต่พอมันดันไปกินร้านในร้านอาหารบอกว่าข้าวราดเกงเนี่ย แต่พอมากินข้าวในวัดหมวกว่าข้าวให้หมาเมันปรุงแต่งซะมากความทุกข์มันก็เลยเกิดไงถ้าเราไม่ปรุงแต่งชีวิตมันจะสั้นๆเ น, น, น้อยมันไม่มีอะไรมากมายอันโยมมาอยู่ที่นี่ก็จะให้คนมาไหนมาปรุงแต่งนะอาหารที่อร่อยที่มาที่นี่ก็คือความคิดคุณนั่นแหละความคิดนั่นแหละจะทําให้เกิดความบริสุทธอร่อยขึ้นมา ตัวปรุงตัวหนึ่งที่ลงตาห่วงก็คือโทรศัพท์นั่นแหละที่มันปรุงดีมันจะปรงน่ะเพราะว่ามันกลายเป็นกิเลสอันดับต้นๆ้นของชีวิตไปแล้วนะที่มันต้องห่วงต้องหาต้องคิดต้องผูกพันมันยากลำบากพระกรรมฐานก็เหมือนกันไปปฏิบัติธรรมองค์ไหนถ้ามีโทรศัพท์อยู่ในตัวจบนะมันยากลําบากไม่มันไปไม่ค่อยถึงดวงดาวอย่างที่ว่านะมันขึ้นไม่สูงมันจะหล่นมาง่าย คงไม่ยากเท่าไหร่นะปฏิบัติทำทบทวนน ะ, จะเจริญสติระลึกรู้ดูกายเคลื่อนไหวให้ชัดเจนยกมือก็ให้รู้ว่ามือยกเนี่ยสติระลึกรู้และหลายคนอาจจะไม่รู้สติคืออะไรสติคือความรู้ตัวนั่นแหละยกมือขึ้นนี่รู้ตัวไหมยยกนี่อย่าจ้องมันมากนะรู้สึกตัวเบาๆบางทีมันจะปวดหั ว, ป ว, หวปวดหัวไม่ต้องเปลี่ยนวิธีระลึกรู้ไปเรื่อยๆมันก็หายหรอก คือเราทํายังไม่ถูกมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันไปเพ่งมากไปไอที่มันคิดเยอะในช่างหัวมันนะมันคิดก็ช่างมันปล่อยมันไปคิดไปนะอีกสหนึ่งถ้าเราเลืกรู้อยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวกลับมาแล้วอย่าเปลี่ยนที่บ่อยปฏิบัติทำรรเนี่ยบางคนเอาชั่วโมงนี้เดินอยู่ตรงนี้อีกส่วหนึ่งไปตรงนั้นแล้วตรงนี้แล้วอันนี่ใหญ่ยากนะคือมันไปตามความคิดนะตรงนั้นก็น่าจะดีนะไปนั่งส่องดูตรงนั้นนี่มองไปทางโน้นทางนี้นะอย่าไปตามความคิด เดินจมเป็นร่องลงเท้าขาโน่นแหละตรงที่เดินน่ะเดินเป็นร่องขนาดทางเดินโยมเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันยังเป็นร่องลงไปเลยแล้วทางจิตเนี่ยกําหนดรู้อยู่บ่อยๆทำไมันไม่จะเป็นร่องทําไมจะไม่เห็นเส้นทางเดินอยู่แบบมันต้องเห็นนะตั้งต่เคยเล่าให้ฟังว่ามีพระคนหนึ่งไปเจอทางเหนือนี่แหละไปเดินจมกรมที่วัดมันไม่มีทางเดินคนเดินเต็มไปหมดเกี้ยก็เลยไปเดินในหญ้าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินได้สองวันน่ะ มันเริ่มเป็นร่องขึ้นมาเห็นทางหญ้ามันตายเกี้ยเอา้าเกขึ้นมาได้ไม่มีใครสอนแต่เดินไปเดินมาแล้วที่เดิมเนะ่ะทําอยู่บ่อยๆมันเป็นร่องขึ้นมาเอา้าจิตเราเค้าถ้าทำบ่อยๆมันจะเป็นร่องขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยจะเห็นเป็นมักเป็นหนทางะกําหนดรู้กายเนี่ยทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปเข้ามันจะรู้ทันทีว่าเอาสติอยู่กับกายเอาอยู่แบบไหน แล้วจับอยู่ตรงไหนเนี่ยของการเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ถ้าอันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็น่าจะถูกอันน้ก็จะน่าจะพิษทำมันี้วินาทีนี่ทำมานี้ชั่วโมงนี้ไปทำแบบนั้นเป็นเอาไปมาเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยทีเนี้ยมันสับสนปนเปไขว้เอวหาจุดเด่นจุดด้อยให้กับตัวเองไม่ได้เลยเพราะเรามองไปดีไปมัวทุกอย่างาไปมาเลยไม่ได้อะไรเลย มีอย่างเดียวคือโอ้ยมันไม่ได้อะไรกลับความคิดจะเป็นอย่างเงี้ยนั้นฝืนเพื่อให้การทําอยู่กับสิ่งเก่าๆซ้ำๆซักๆนั่นแหละไอเนี้ยทําอยู่ที่เดิมแหละเอามันคิดก็เฝ้าดูมันนั่นแหละมันเบื่อก็เฝ้าดูมันนั่นแหละมันขี้เกียจมันปรุงแต่งก็เฝ้าดูความขี้เกียจความปรุงแต่งนั่นแหละดูอยู่อย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าดูอยู่หกปีนะกลับไปกลับมาท่านก็เห็นสามารถเห็นทำ เห็นธรรมก็คือเห็นธรรมชาติของจิตที่มันไม่ปรุงไม่แต่งนะฮะเห็นแบบจำแจ้งเห็นแบบไม่กลับคืนนะเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแบบนิพพานแต่ถ้าเห็นมันปรุงแต่งอยู่มันงุ่นิดมันอึดอัดมันโน่นมันนี่อยู่ก็คือเห็นนิวรธรรมเห็นธรรมรมที่มันกลับเข้ากับออกอี่เนี่ยนะมันยังไม่ชัดเจนก็ดูเกาไปเรื่อยๆ นั่งดูไม่ได้ก็เดินดูเดินดูไม่ได้ก็ยืนดูยืนดูไม่นั่งเก้าอีด้ดูดูอยู่แน่แนะ น, นี่เขาเรียกว่าเรียก ว, ว, ว่ามามาสร้างสัมมาทิฏฐิเพื่อการดูชีวิตอย่างแท้จริงดูให้มันเห็นเอาอะไรดูก็เอาตาในดูตาในคือตาสตินั่นแหละมันง่วงเราก็ระ ล, ลึกรู้มองไกลๆหายใจ ย, ยา ว, ยาว ยกมือสูงสูงเพื่อให้จิตมันตื่นตัวเพื่อจะมาดูข้างใน mm hmm. เราเห็นอะไรมามากแล้วชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดมานะ่ะเห็นคนนั่นเห็นคนนี้เห็นมากมายหลากหลาย<ๆ>ก็ไม่มีอะไรเนละมีความโลภโกรธหลงมีเท่านั้นแ่ะชีวิตนี้แล้วก็อดีตอนาคตประมาณเนี้ยไม่มีอะไรเกิดนั้นถีง เ, เราจะมาดูเพื่อให้เห็นอะไรที่มันดีกว่านั้น เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นทำเห็นทำคนไหนเห็นทำแล้วไม่ทุกข์นี่สิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นเยอะแยะนะเห็นรูปเห็นรถเห็นกลิ่นเห็นเสียงเห็นยศถาบรรดาศักดิ์เห็นตําแหน่งหน้าที่การงานเห็นทุกฉากเนี่ยกับกลายเป็นสมมุติเป็นมดเลยไม่มีอะไรเป็นความจริงสักอันแต่เราก็ยังวิ่งตามเห็นแฟชั่นเห็นความสวยความงามความดีความเด่นเห็นตลอดเลยวิ่งหาเนี่ยถามวาได้อะไรมา แต่แลรคนในที่นี้ก็คงจะเห็นนะว่ามันไม่ได้อะไรชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งว่าความสุขให้กับชีวิตนก็ ย, ยังไม่มีเพราะผ่านไปอีกสักหน่อยมันก็เปลี่ยนแปลงผ่านไปเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ยังวิ่งหาอยู่อคําว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะจนกระทั่งมาถึงวันนี้เราก็ยังหาอยู่ว่าความสุขคืออะไรมันมีไหมหลายหลายคนเริ่มรู้แล้วนะว่ามันไม่มีมันไม่มีแล้วเขาคิด เข้าใจบ้างแล้วว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรคําว่านิพพานังปรามังสุขังเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเพียงแต่ว่าเขากําลังจะสร้างเหตุปัจจัยนะเขาเรียกว่าอารัมมณปัจจะโยเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจะยอธิปติปัจจะโยอนันตรปัจจะยสมนันตระปัจจะยสหชาติอัญยมยัปปัจจะยนิสยปัจโยอุปนิสัย วิญญาณปฏิโยปุเรชาติปัจฉาชาติอเสวันปัจจัยอเสวันนัปัจจัยตัวหนึ่งนะอย่าไปพูดไปคุยกับใครอาศัยวันนับปฏิโย ก, กรรมมาปฏิโยการกระทำเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยวิปากปฏิโยถ้าทําบ่อยมากเข้ามากเข้าสะสมทัวรู้ตัววิบากกรรมที่เป็นกุศลธรรมนี่จะช่วยเกิดการทะลุอารมณ์ไปได้เกิดการลุ่มชจงั้ยอินรีย์เป็นปัจจัยมัก ปัดใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของของฝ่ายกุศ ล, ลธรรมทั้งหมดเลยเปียนแต่ว่าเอาจริงกับมันหน่อยท่านเองไม่ใช่ทางสายลัดนะเนี่ยไม่ใช่ทางสายโคตรเขียวนะคือไม่ได้มัวมาอยู่กับความสนุกความสุขความสบายมาอยู่กับความเย็นมาอยู่กับความง่วงความเหงาอันนี้ไม่ได้ทําแบบนั้นนะปฏิบัติธรรมเนี่ย ทางสายลัดสายตรงขับบุกผ่านไปเลยนะอย่างความง่วงเนี่ยทะลุไปเลยความเบื่อมากไปเลยคือเดินสายตรงไปเลยอะ่ะง่วงก็ดูง่วงเบื่อก็ดูเบื่อขี้เกียจก็ดูขีเ้เกียจสมัยเราไม่ได้ทํามันก็ไม่อยู่ที่บ้านมันไม่เยอะขนาดนี้นะตัวง่วงตัวเงาแต่มาอยู่ที่นี่ไม่ทํำไมมันเยอะจังนะความง่วงมาจากไหนความเบื่อมาจากไหนมันก็อยู่ในนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ไปเยี่มมันนั่นเอง พอเรามาจัดจัดการกับมันมันก็โผล่อ อ, ออกมาแล้วบางคนเนี่ยถามว่าไอ้ทำไมต้องไปแย่มันนะ่ะคุณไม่แย่มันก็ออกมาในใจคุณทุกวันทุกวันอยู่แล้วมันก็ออกมาตลอดควา ม, ม ง, ง, าว ง, ง่วงความเงาความเบื่อความคิดอดีตนะมันมันก็มาอยู่แย่มันค่อยๆไหลออกมาทีละน้อยลน้อยิย่งเมื่อไหร่ที่สติเราอ่อนเนี่ยไอ้พวกนี้จะไหลออกมามากแล้วเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะเวลาเราเจ็บใค้ได้ป่วยเนี่ยเวลามีปัญหาชีวิตเนี่ยเรานั่งเฉยๆคนเดียวนิ่งๆเนี่ยมันจะไหลออกมาเลย บางคนก็นไหลออกมาตอนง่วงเอ๋ไหลออกมาตอนตอนนั่งซึมเศร้าตอนคิดมากอยู่คนเดียวมันจะไหลออกมาทั้งอดีตอนาคตอะไรที่เคยสะสมมาในจิตใจเนี่ยนั้นก่อนที่มันจะไหลออกมาโดยที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยเรามาเจริญสติเพื่อกระชากมันออกมาเลยเจริญสติเติมสติเข้าไปแทนที่เพื่อมันไหลออกมาแล้วจะล้างออก้หมดแล้วเหมือนจิตนี้มันสะอาดพอมันสะอาด ตอนสติเราดีไม่ดีเราป่วยไม่ป่วยมันก็ว่างอยู่ของมันเองอะ่ะทีเนี้แต่ควรจะล้างมันก่อนแต่ไม่ได้หมายว่ามาปฏิบัติทำที่นี่ทุกคนจะมาแล้วทําให้นั่งสงบสบายเฉยๆแต่มันไม่ออกมานะบางคนโอ้ยมันคิดมากทํำเฉยๆดีกว่าแต่ทํำเฉยๆมันก็ไปติดอยู่ความนิ่งก็ไม่เห็นเนี่ยในตะกอนที่นอนอยู่ในจิตเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ทําให้มันเห็นเลยเนี่ยคิดกระชัาง แต่ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้ได้ยันนี้จากฐานฐานกายเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยสติรละลึกรู้อยู่กับฐานกายให้มันชัดเจนเบื้องต้นเนี่ยนะเวทนาจิตธรรมดูได้ตามลําดับเพียงแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะอันนั้นอันนั้นจะเป็นผลนะตัวกายานุปัสนาเนี่ยเป็นเหตุเหตุคือรละลึกรู้อยู่กับกายตัวธรรมารมณธรรมานุปัสนาเนี่ยเป็นตัวผล ผลที่เกิดว่าเราเราเรียนรู้อยู่กายชัดเจนมันจะเห็นนั่นนั้นท่านี้นแล้วมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนกรทั้งว่าทุกอย่างก็เกิดดับโดยธรรมชาติธรรมดาต้องถ้าพูดหมายชั่วโมงหนึ่งนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคนไหนมีปัญหาอะไรสงสัยไหมจะถามโ น, น, น่นนี่ไม่มีนะให้ไป น, นอนนี่จะว่าอะไรไหมจะพอใจไหม เดพอใจแหละเนาะนอนปกติเดินจุ ก, กมถึงสามทุ่มนะเมื่อคืนเลิกกี่ทุ่มมงปูเล่นฮะสามทุ่มครึ่งถ่านว่าเมื่อคืนนี่วั น, นนี้จะเอาถึงปาะนั้ น, น่นนะอย่าไปปฏิบัติ ด, ดึกมากนัง น, นะเวลวาคนกลับไปกุฏิก็เอา กลัวไม่บรรลุเดินเนาเดินเนานะจนสว่างนี่ไปทำปานนั้นนะสักสามทุ่มแล้วก็นอนแล้วตื่นที่สองได้ที่สามได้เตือนค่อนเขาตีละครได้วันนั้นแล้วก็รีบมารีบลุกขึ้นทำความสะอาดตัวเองถ้าสติดกีก็กำหนดรู้ไปด้วยไปแยมทำอย่างนั้น แล้วกลับมาเดินจงกรมทำความเพียรก่อนเลิกก่อนทำวัดสวดมนต์ถ้านอนดึกมันก็จะง่วงบางทีคนนอนใกล้กันแล้วไปคุยกันมันมันง่วงนะตื่นสายบางที่ตื่นเช้าก็ง่วงคไม่มีปัญหาอะไรนะปฏิบัติทำเนี่ยก็คือเฝ้ามองอะไรเกิดขึ้นใหญ่อย่านึกว่ามันเป็นปัญหา แต่ให้เฝ้ามองมันนะมองมันเดี๋ยวคิดว่าเอ้ยนี่ปัญหานะไม่เคยเห็นเนะี่ยไม่เคยเห็นก็ดูมันบ้างเถอะดูหนบ้างอะไรเกิดขึ้นดูมันดูมันดูแล้วให้ตัวรู้เนี่ยอิสระในการดูอย่าไปกดเขาอย่าไปจ้องเขาอย่าไปเพ่งเขาบังคับให้เขาดูอย่าปานนั้นนะแต่ละลึกรู้เบาๆให้เขาอิสระตัวสติเนี่ยมันต้องการอิสระภาพในการดูพุโทโธพุทธผู้รู้ ถ้ารู้บ่อยรู้อย่างถูกต้องเขาจะตื่นเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานด้วยธรรมด้วยธรรมคือด้วยธรรมชาติของมันเองนะเอาโัฒนากับทุกคนนะถ้าหมดตั้งใจมาปฏิบัติธรรมขอให้ได็กลูกทำเห็นทำเข้าใจธรรมด้วยสติปัญญาอินทรีย์ที่เรามาบรรนุผลให้แก่กล้าพัฒนาไปสู่กันรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ